ประโยคหลังและพินร้องท่วงเร็วปือ้อเมื่อชายยานประทับไรเฟิลนขึ้นทันทีที่เขาส่องไฟไปกระทบกับทัพทิมคู่หนึ่งสะท้อนวาวตอบแสงไฟออกมาอาดีตนายทหารปืนใหญ่ยั้งมือที่จะเหนี่ยวไกไว้ได้ทันสะบัดอุบตาคู่นั้นเป็นตาของชมดแผงขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่หลังจอมปลวกข้างหน้าห่างเพียงไม่กี่วาคืนนี้มันเป็นคืนแห่งการล่าของดารินวราลิศอย่างแท้จริง แง่าสายส่องพบตาไอ้โครงตัวที่สองสำหรับหลอนภายในครึ่งชั่วโมงต่อมาในระยะกระชั้นชิดปากทางด่านที่จะนําเข้าสู่ดงลึกระหว่างทุ่งหญ้าคากับพูบเขากะเรียงสองคนที่ตามหลังผงะออกวิ่งกระเจิงอย่างไม่คิดชีวิตมันอ้าปากเสยะเขี้ยวโหกปีเข้าใสเพระระยะประจันหน้ากันใกล้ชิดเกินไปแง่าสายเองก็ใจหายร้องเตือนให้หล่อนหลบเข้าหาโคนไม้เสียงหลงแต่หญิงสาวยืนปักหลักอยู่กับที่ และยิงในขณะที่มันเพ่นพรวดเข้าใส่กระดอนคว้างกลางอากาศด้วยอำนาจปะทะอันหนักหน่วงของกระสุนจุเจดศที่จับเข้ากลางแสกหน้าราวกับจับวางมันหล่นลงมาฟุบอยู่แทบเท้าตรงหน้าของหลอนห่างเพียงวาเดียวเท่านั้นตัวที่สและที่4ตกเป็นเหยื่อกระสุนของหล่อนในชั่วโมงที่สองหมอบกระแตอยู่กับที่ที่มันถูกไฟสองพบแทบจะไม่มีการดิ้นรนส่งเสียงใดๆเลย เพราะกระสุนจับเข้าในระหว่างดวงตาทั้งสองตัวหลอนยิงอย่างเฉียบขาดแต่ก็เยือกเย็นแงายเายเฉยๆคงทำหน้าที่ส่องไฟให้หลอนเป็นปกติต่อไปแต่สองกระเรียงมุ่มผู้นำทางบัตรนี้มองดูหลอนประหนึ่งเจ้าแม่ผู้มาโปรดและคงจะเก็บเหตุการณ์ที่มันพบเห็นกับตาไปคุยให้พวกพ้องฟังอีกนานแสนนานเสียงปืนทางเชฐีฐาก้องมาอีกนัดหนึ่งในขณะที่ทางด้านชายยนยังเงียบกริบอยู่ตามเดิม ชั่วโมงเต็มๆผ่านไปไม่มีเสือตัวใดตกอยู่ในแสงไฟค้นหาของระพินเลยนอกจากพวกนกกลางคืนและชมดหรืออีหินพรานใหญ่นำวกลงสู่ตีนเขาอันสูงและเหิดหนาแน่นไปด้วยป่ายางพื้นที่เป็นหลอนรุ่มดอนเต็มไปด้วยหมอด้มากไฟฉายในมือสาสต์ค้นหาเป้าหมายเป็นระยะบางขณะต่ขึ้นไปบนเนินบางทีก็อ้อมลงเดินในลาห้วยแห้งสงบดีจริงไม่เจอตาอะไรเลย ความจริงถึงไม่พบไอ้รายเราก็ควรพบสัตว์อื่นบ้างชายัยยานบนุญหลักธรรมดาครับบริเวณไหนเสือชมบริเวณนั้นไม่มีสัตว์ชนิดอื่นและการที่อัตคัดสัตว์ที่จะเป็นอาหารของมันนี่แหละคนและสัตว์เลี้ยงถึงได้เดือดร้อนใจเย็นๆเถอะครับผมรับรองว่าคุณชยัยยานได้ลั่นไกแน่พยายามอยู่ทางด้านซ้ายของผมไว้นะครับจะได้เห็นศูนย์ปืนถนัดขณะที่ตายตลิ่งห้วยแหง้งขึ้นสู่เนินย่อมๆลูกหนึ่ง กะเหลียงเลินผู้เดินอยู่ด้านหลังก็ทำเสียงอึกอักอยู่ในลำคอเหนียวแขนและพินไว้โดยแรงกิริยารุกรนจอมพานกวาดฝิฉายอย่างนะมัดระวังอึดใจเดียวขเขาก็ดับไฟมืดซุบซิบกับสองกะเหลียงผู้ติดตามมาด้วยแล้วเอื้อมือมาสกิดแขนชา ย, ยนแทนคำพูดอดีตนายทหารปืนใหญ่ไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้กระจ่างชัดนักแต่ก็เตรียมพร้อมด้วยสัญชาตญาณพยาพยามเงี่ยหู จ้องตาฝ่าความมืดมิดออกไปหัวใจเต้นอึดใจต่อมาและวเพก็กดสวิตช์ไฟฉายขึ้นอีกครั้งตาแดงวาวคู่หนึ่งสะท้อนวูบออกมาจากโคลนจอมปลวกเพียงพลิบตาเดียวมันก็หายแวบเห็นแต่พุ่มไม้ไหวน้นอยๆอึดใจต่อมาของการกราดํำไฟตาคู่นั้นก็ปรากฏวาวเรืองขึ้นอีกคราวนี้ย้ายไปอยู่ที่กลุ่มโขดหินขึ้นหนาทึบไปด้วยต้นกระดาษเห็นไม่ถนัดนักประเดี๋ยวก็วาบวูบตอบไฟมาอย่างจัง พอเดี๋ยวก็หลีแสงหายไปอย่างลึกรับอันเกิดจากการเมินหลบของมันชายยันสะกดกั้นลมหายใจนิ้วแตะรออยู่ที่ไกลเขาเยือกเย็นและมีสติมั่นคงพอใช้ทีเดียวในการที่ไม่ด่วนผีผาปล่อยกระสุนออกไปเสียก่อนโดยเป้าหมายอันไม่สามารถสังเกตได้ชัดนี้ระพินใจเย็นยิ่งกว่าเขาเสียอีกเพราะดับไฟเหมือนจะเล่นเอาเธอเจ้าล่ อ, อ ก, กับมันเป็นครั้งที่สทุกคนยืนนิ่งอยู่กับที่ในความมืด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกะเลียงหนุ่มทั้งสองดูเหมือนฟันจะสั่นกระทบกันได้ยินถนัดครั้นแล้วครึ่งของช่วงกั้นลมหายใจต่อมาฮันเตอร์ขนาดแปดท่อนก็สาสตร์ลำสว่างนวลออกไปราวกับสายฟ้าแลบคราวนี้แม่นยำที่สุดราวกับว่าจอมพรานจะรู้ตำแหน่งของเจ้าสิ่งที่เคลื่อนไหวคุ้มเชิงอยู่เบื้องหน้าไม่พบดวงตาที่สะท้อนไฟในครั้งนี้ ก็เห็นรล้วดำตัดพื้นน้ำตาลเข้มอย่างถนัดในลักษณะที่หมุนตลบม้วนตัวกลับจุดหกศในโตเอ็กซ์เพรสรำก้องซ้ายที่ประทับอยู่กับบ่าของชายยานก็คำรามขึ้นราวกับพลุระเบิดพร้อมกับเสียงแผดร้องอ้าวสนันปา่าเงาอันพ่วงพียาวเยียดอันวบแวบหยุดนั้นเพ่นตัวลอยสูงขึ้นไปบนอากาศประทะจําปลวกใหญ่แล้วพงะลงมาดิ้นตะกุยตะกายผงครีตลบมีเสียงสำรักเลือดครู่เดียวก็สงบนิ่ง เมื่อต่างเข้ามาถึงซากก็พบว่ามันเป็นเสือใหญ่พ่วงพีที่สุดตัวหนึ่งจากปลายจมูกจรวดโคลหางยาวาเศษลูกปืนเจาะสบักซ้ายชอนออกลำคอด้านขวาเลือดทลักฟูมออกมาทางปากที่กัดดินไว้เต็มเขี้ยวนัดนั้นมันเป็นการยิงที่ฝาก ฝ, ากฝีมือกันทีเดียวเรพินไม่ปิดปากพูดคำใดทั้งสิ้นนอกจากจะเอื้อมือมาตบแขนช ย, ยันเบาๆส่วนกรเียงสองคนที่มาด้วยคางหืม ประเดิมชัยด้วยตัวแรกขนาด8ปดซอกมือชายยันก็เริ่มฉมังเขายิงตัวที่สองในระยะห่างเพียง20นาทีที่ป่าคุยแห้งด้วยกระสุนปกาสิตนัดเดียวอีกครั้งทันทีที่ระพินส่องพบตากโกรกหัวของมันแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีเพราะอำนาจกระสุนร้มช้างและตัวที่สมในเที่ยวขากลับใกล้ๆ ก, กับตำแหน่งซ่าหัวท้ายหมู่บ้านกระเด็นห่างจากตำแหน่งที่มันหมอบวาดหางอยู่ถึง4ว่าในทันทีที่ถูกลูกปืน และความนิ่งค่าที่อยู่ตรงนั้นไม่ผิดอะไรกับกระรอกที่ถูกกระสุนรุกกดในระหว่างนี้เสียงปืนทางด้านดาลินเงียบไปแล้วแต่ทางด้านเชื้าดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ชายยานจะพบเหยื่อตัวที่สามของเขามันเป็นการล่ากันแบบถล่มปลาเมื่อชายยันกับประเพียรกลับมาถึงที่พักก็พบว่าแพทย์หญิงคนสวยนอนพิงย่ามเครื่องหลังอยู่บนเรือนก่อนแล้วแง่ทายนั่งพูดคุยอยู่กับพวกกระเลียงที่รายล้อม พอเห็นชายยันโผล่ขึ้นมาพร้อมกับพรานใหญ่หล่อนยิ้มให้นิดหนึ่งยังอยู่หรือชายยันฉันนึกว่าจะไม่เห็นเธอเสียแล้วเพื่อนชายจุก ป, ปากลัน่นทิ้งกายล้นอนแผ่ล้าอย่างอ่อนเพียงแชถ่ายังไม่กลับหรือไม่ทันจะขาดเสียงถามของชายยันเสียงปืนก็ดังก้องขึ้นอีกนัดหนึ่งมันดังอยู่ที่ชายระมาอกข้างๆหมู่บ้านนี้เองพร้อมกับเสียงพูดเ อ, อะเอะเสียงพยักร้ายแผดร้องคำรามอย่างเกลี้ยวกราำเจ็บปวด แล้วก็อีกตูมหนึ่งจากนั้นก็ได้ยินแต่เสียงตะโกนพูดกันเป็นภาษากะเหลียงสงสัยว่าคุณชายจะทำสถิติมากที่สุดเสียงปืนนับแทบไม่ทวนพานใหญ่เอ่ยขึ้นเดินไปรินเล่านี่หายเธอยิงได้กี่ตัวดารินหันไปถามชายยันผู้บัดหนี้ปุดลุกขึ้นนั่งอีกครั้งไม่ได้ยินเสียงปืนจากฝ่ายเชืตา 3. เธอละ4เป็นเจ็ด ล้วพินพิงไว้ตรงซากวัวเมื่อหัว ข, ข้นี่อีกสองรวม9ยังไม่รู้ว่าเชี่าเก็บได้อีกเท่าไหร่สงสัยว่าจะไม่น้อยกว่า5้ากระมังเพราะได้ยินเสียงปืนมากกว่านั้นเชี่ากลับมาถึงเป็นคณะสุดท้ายภายในครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นแววตาของหัวหน้าคณะเดินทางแจ่มใสโตะ ra, ทะยิ้มราส่งเสียงเอะอะบอกพักพวกร่วงหน้าเข้ามาก่อนอย่างตื่นเต้นดิ้งโลดใจเสียงซักถามพูดจา ก, กันให้แซ่เป็นโหมดจากปรรดาพวกกระเลียงที่คอยฟังข่าวอยู่ ระผินคาดคเนไว้ไม่ผิดเชษฐาทำสถิติในการฆ่าได้มากที่สุดเขาสังหารนรายทั้งใหญ่และเล็กโดยไม่เลือกขนาดเสียเจ็ดตัวโดยมีเกิดและโตถะร่วมช่วยยิงอยู่ด้วยรวมทั้งหมดเป็น16ตัวสำหรับคืนนี้โตถะและพักพวกคงจะนอนตาหลับได้บ้างกระมังเชษฐาหันไปพูดกับหัวหน้าบ้านภายหลังจากสอบถามเหตุการณ์ทางด้านดาเินและชา ย, ยันแล้ว กะเลียงเท้ายกมือไหว้ท่วมหัวพูดภาษาไทยสำเนียงป่ากระท่อนกระแท่นโตถะสบายใจแล้วคุณที่เจ้านายทำไว้โตถะจะจำไว้จนตายยังจะคิดย้ายถิ่หนีเสืออยู่อีกหรือเปล่าชัยยันถามปนหัวเราะมาบ้างกะเลียงเทายิ้มเห็นเหงือคล้ำสันหน้าทั้งหมดร่วมวงสนทนากันอยู่อีกครู่ใหญ่ด้วยบรรยากาศที่แช่มชื่นขึ้นแล้วเตรียมตัวนอนโตถะบอกให้ทราบว่า พรุ่งนี้จะเกณฑ์คนไปขนซากเสือที่ถูกยิงทิ้งไว้กลาดเกือนเข้ามาในหมู่บ้านและจะมีการเลี้ยงฉลองการเป็นงานใหญ่แก้บนเจ้าป่าแล้วพินเลี้ยงไปคุยอะไรอยู่กับโต๊ะถาเบาๆที่หัวกระดาดชาญบ้านปล่อยคณะนายจ้างของเขาให้สนทนาการตามลำพังพอรับกายพรานใหญ่เชษฐาก็หันมาทางน้องสาวสีหน้าเคร่งขรึมน้อยแง่า ย, ายบอกพี่ว่าเธอเกือบจะถูกมันตะปบในขณะที่ยิงสวนหน้าไม่ใช่หรือ หญิงสาวยิ้มจืดจืดระยะพอสมควรค่ะไม่กระชั้นชิดนักหรอกทำไมมันกระโจนสวนหรือเพื่อนชายถามมาโดยเร็วหล่อนพยักหน้าหลบตาพี่ชายที่จ้องมาอย่างตำหนิตอบเรียรยๆว่ากระเลียงสองคนที่ไปด้วยนั่นน่ะสิส่งเสียงร้องแล้วก็เพ่นหนีมันคงตกใจเสียงก็เลยเพ่นพรวดเข้ามาจะหลบก็หลบไม่ทันนอกจากยืนปากหลักแต่ก็มมีปัญหาอะไรเลยนี่พอมันกระโจนฉันก็ยิง ยิ่งใกล้ยิ่งไม่มีทางพลาดเสือตัวนั้นล้มลงห่างจากหน้างน้อยเท่าไหร่พี่ชายจ้องนิ่งมาดารินยักไหล่เอ็นตัวลงนอนประสานมือวางไว้บนอกหลับตาลงสองสำราค่ะพี่ใหญ่แงสายบอกพี่ว่ามันห่างจากที่น้อยยืนอยู่ศอกเดียวเท่านั้นก่อนขาดใจตายมันขย่ากิ่งไม้ที่ขวางหน้าน้อยหยู่ท่อนเท่าแขนหักสะบ้านขาอยู่ในปากน้องสาวไม่ตอบทำทีเหมือนหลับ พี่ชายบ่นอะไรพามพอยู่ในรำคอรพร้อมกับถอนใจยาวชัยยันหัวเราะหึ่หึห่บ้าละหำเอาเรื่องสวรรค์เข้าข้างเธอเป็นพิเศษในการยิงนัดนั้นและขอให้เป็นอย่างนั้นทุกครั้งไปเถอะไม่มีเกมอะไรน่าสนุกตื่นเต้นมีรสชาติมากยิ่กว่ายิงเสือในขณะที่มันกระโจนชาร์จเข้าใส่ลูกปืนกับตัวมันมีจุดนัดพบกันกลางอากาศชีวิตมันกับชีวิตเราวางไว้เป็นเดิมพัน ไม่มีอะไรจะยุติธรรมไปกว่านี้อีกแล้วคนหลับตาพูดเปย์ออกมาเหมือนจะทำพึงจะเป็นรพีนไพวันคนที่สองอันลึเขากำชับฉันไว้หนักหนาแม่้ฉันยิงสวนหน้าในระยะกใกล้แต่ตัวเขาเองทำให้เห็นเป็นตัวอย่างมาหลายครั้งแล้วเมื่อครูทำได้ลูกศิษย์ก็น่าจะลองดูบ้างมันก็ไม่ยากเย็นอะไรนักอย่างน้อยเขาจะได้รู้ว่าไม่ใช่มีแต่เขาคนเดียวเท่านั้นที่ยิงเสือแบบนั้นได้ มันมีเครดอยู่เพียงมือเที่ยงสติดีเท่านั้นสวรรค์ไม่เกี่ยวเพราะท่าเลงแสกหน้าแล้วไพรไปถูกหางในขณะที่มันกระโจนเข้าใส่แล้วต่อให้สวรรค์เข้าข้างขนาดไหนก็ไม่แคล้วขมองเหลวฉันเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เองว่าทําไมพรานใหญ่ของเราจึงนิยมยิงเสือในขณะที่มันเผ็ด น, นักสังเกตเห็นครั้งแรกตั้งแต่เขายิงเสือดําในสถานีกักสัตว์ของคุณอภพลแล้วต่อมาก็ยิงไอ้โครง่งเพื่อช่วยชีวิตแง่ทรายไว้ที่โป่งกระทิง ต่อมาก็ไอ้ดาวขณะที่มันโผล่ลงมาใส่จนกระทั่งตัวสุดท้ายที่มันลากเกลียงสามคนนั้นไปและพินยิงในขณะที่มันเพ่นทั้งนั้นจนกระทั่งพอจะตั้งเป็นข้อสังเกตได้ถึงเจตนาเพื่อรอจังหวะยิงของเขาชา ย, ยาญเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ตามคําพูดของเพื่อนสาวคลางออกมาเบาๆ เ, เออจริงสินะและพินชอบยิงเสือในขณะที่มันกระโจนเสมอเขาเอาเคล็ดอะไรกับมังเขาบอกเธอหรือเขาไม่ได้บอก แต่ฉันพอจะจับเจตนาของเขาได้แล้วก็เพิ่งจะมารู้ชัดเอาเมื่อตอนที่ได้ทดลองกับมือในคืนนี้เองทำไมหรือไหนลองบอกหน่อยซิที่ว่าเธอรู้นะ่ะดาลินปิดปากหาวตายังหลับอยู่เช่นเดิมบอกมาเนิบๆว่ามันมีเหตุผลอยู่สองสาข้อในการที่เขาจ้องยิงเสือในขณะนั้นข้อแรกที่สุดก็คือการสำแดงถึงรวดรายในความเป็นยอดพรานมือจกาศของเขา การยิงเสือนั้นใครๆก็สามารถจะยิงได้ถ้ามีโอกาสเป็นต้นว่ามันเข้ามาเป็นเป้าปืนในระยะที่คนยิงปลอดภัยแต่การยิงเสือนในขณะที่กระโจนสวนเข้ามาหมายตะปบเป็นการยิงในขั้นาศาสดาเพราะเอาชีวิตเป็นเดิมพันถ้าพลาดเป็นตายมันขึ้นอยู่กับฝีมือและสติชั้นเลิศซึ่งถ้ามไม่แน่จริงก็ยิงเสือนในลักษณะเช่นนั้นไม่ได้คนที่ยิงเสือได้จัดว่าเป็นพรานหรือมือร่าชั้นเยี่ยมแล้วแต่คนที่เป็นยอดของพรานหรือยอดนักล่า จะต้องยิงเสือในขณะที่มันเพ่นสวนเข้าใส่เขาอาจเจตนาโชว์ฝีมือให้พวกเราเห็นก็ได้ข้อที่สองการพบเสือในระยะประจันหน้าค่ะที่มันจ้องจะ ก, กระโจนเข้าตะคุบเรานั้นไม่มีวิธีใดที่จะปลอดภัยไปกว่ารอจังหวะให้มันเพ่นเข้าใส่เราสิก่อนเพราะถ้าเราด่วนยิงในขณะที่มันอยู่กับพื้นพอเหนี่ยวไกมันอาจจะกระโจนขึ้นและกระสุนพลาดได้ง่ายที่สุดสู้รอจังหวะให้มันเ พ, พ่นพ้นพื้นแล้วยิงในขณะที่มันลอยเข้ามาไม่ได้ อันนี้น่าจะเป็นอีกข้อหนึ่งที่ทําให้เขานิยมยิงเสือเพนส่วนข้อที่ส ม, มันเป็นรสชาติเข้มข้นที่สุดในการเลือกยิงในวินาทีคับขันที่สุดนั้นเสือแสยะเขี้ยวกลางเล็บโผลลอยมาในอากาศเพื่อหมายขย่้ำเราในขณะเดียวกันกับที่ลูก ป, ปืนจากเราพุ่งสวนเข้าประทะสมองหรือกลางแสกหน้าของมันมันกําลังจะฆ่าเราแต่ทันทีนั้นมันก็ถูกตัดประสาทยุดโรงเสียก่กรตกลงมาดิ้นพลาดหรือหมอบฟุบอยู่ตรงหน้าใกล้ๆ ทอยโบลิ่งล้มหมดทั้งกองก็ยังไม่มันเท่าไม่เชื่อเธอลองยิงเสือในลักษณะนั้นดูบ้างสิแล้วต่อไปเธอจะไม่อยากยิงมาในขณะที่มันยืนหรือหมอบเป็นเป้านิ่งเลยชายยันกระเดือกน้ำลายคลางอู้อยู่ในคอแต่เชษฐาพูดมาตำตำระพีนเป็นพรานอาชีพชำนาญ ม, มามากแล้วเขาจะพริกแพงรวดลายยังไงก็ได้แต่น้อยไม่น่าจะเสี่ยงเอาวิธีของเขามาใช้เลยมันอันตรายที่สุด เราจะเชื่อได้อย่างไรว่ากระสุนของเราจะเข้าประสาทสำคัญหยุดมันลงได้ในพริบตาพลาดเพียงนิดเดียวเราก็แหลกเท่านั้นไม่ต้องมากหรอกเซียวของวินาทีก่อนที่มันจะขาดใจมันก็ทลกหนังหัวเราได้แล้วดาดินรืมตาขึ้นยิ้มกับพี่ชายความหวาดเสียวเอาชีวิตต่อรองกันอย่างนี้นะสิคาพี่ใหญ่ความสนุกตื่นเต้นเหมือนเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งน้อยก็บอกแล้วว่ามันอยู่ที่เครในการยิงนิดเดียวเท่านั้น เปาเคลื่อนที่ของสือที่กระโจนเข้ามาโดยเราหมายเล็งไปที่หัวของมันก็เหมือนกับการยิงปืนลูกซองแบบสกิทนั่นแหละง่ายกว่าเสียอีกเพราะมันใกล้ที่สุดจานที่ถูกเวียงลอยในอากาศและให้เราใช้ปืนลูกซองดักยิงยังเป็นเป้าห่างไกลเสีย ก, กว่าคนยิงสกิทมาแล้วทุกคนยิงเสือในขณะที่กระโจนเข้าใส่ถูกทั้งนั้นถ้าเขาสติ ด, ดีพอโดยไม่ตกประมาดผาูผ่านว่ามันยิ่งใหญ่และยากเหลือเกินแต่ความจริงแล้วง่ายนิดเดียวถ้าจับเครสได้ แต่ว่าเธอจับไสพรานใหญ่ของเราได้และเห็นว่ามันเป็นเรื่องหวานคอแรงที่สุดในการที่หยิงเสือตอนมันกระโจนใส่ชัยยันว่านั่นแหละจะเป็นวิธีโชว์ให้ใครๆเห็นว่าเธอเป็นพรานใหญ่ละถ้าเธอทําอย่างว่านี้ได้แต่มีข้อแม้อยู่ว่าเธอต้องกล้าเสี่ยงถ้าเสือไม่ตายเธอก็ตายนิดาลินว่าลาลิตก็กลายเป็นพรานใหญ่ไปแล้วสิเพื่อนชายร้อง ทำตาโตหญิงสาหุเราะขันขันระพินไพยวันนะ่ะตกอันดับไปแล้วถ้าเธอจะไปลองถามกะเลียงห้วยแม่เลงเหล่านี้ดูกระเลียงสองคนที่ไปกับฉันเห็นชัดกับตาว่าฉันยิงเสือแบบไหนแล้วเก็บมาเล่าให้พวกพ้องฟังโขมลือแซดกันไปหมดแล้วทั้งๆ ท, ที่แท้จริงแล้วฉันไม่มีอะไรสักอย่างที่จะเรียกว่าเป็นพรานได้ไม่ว่าระดับชั้นไหนเพียงแต่ว่าเป็นนักจิตวิทยาที่บ้าระหามอย่างเธอว่าหน่อยเดียวเท่านั้น ต้องสดงอภินิหารให้พวกนี้นับถือฉันหน่อยไม่งั้นดูหมิ่นนักเห็นฉันถือใยเฟิ่นก็ยังหัวเราะ ก, กันคิกคักน้อยห้าวเสมอนะเชษฐาพูดอย่างหนักใจส่วนชายาหัวเราะเรื่อยๆควักขี้พึ่งบามออกมาทาแขนขาที่มีรอยฟกช้ำและขีดข่วนทั้งแผลเก่าแผลใหม่เปรอะไปหมดทั้งตัวนึกไม่ถึงมาก่อนเลยว่าเราจะมีโอกาสยิงเสือกันขนานใหญ่แบบนี้ยังกระเดินสองกระตายนั่นแหละ มันชุมเอาเสียจริงๆหน่าแปลกในข้อที่ว่าถึงแม้จะชุมสักขนาดไหนก็ตามเสียงปืนที่พวกเรายิงออกสนัน่นไม่ยักทําให้พวกมันหนีกับเพ่นผ้าที่เรายิงได้ตัวแล้วตัวเล่าครั้งแรกที่รปินบอกยังไม่อยากเชื่อเลยว่าเราจะเดินยิงกันได้อย่างนี้นึกว่าอย่างเก่งพอยิงสักตัวสองตัวก็คงไม่พบอีกมันผิดธรรมชาติของสัตว์ป่าทั่วไปยังไงพี่กนอยู่ไม่เคยพบหรือได้ยินสถิติในการล่าเสือแบบนี้มาก่อนเลย จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังอดแปลกใจไม่หายแกคิดอย่างนั้นหรือเปล่าเชียดา์าเรื่องในป่าเอากฎเกณฑ์แน่นอนตายตัวไม่ได้เสมอไปหรอกอย่างที่ดาวพินบอกไว้แล้วนั่นแหละคือไอ้พวกเสือแถวนี้มันกําลังขนองและไม่กลัวปืนแก๊บของพวกกะเหลียงมาก่อนเสียงปืนที่พวกเรายิงมันตายไปทีละตั ว, ตวไอ้ตัวอื่นๆถึงแม้จะได้ยินก็คงนยกว่าเป็นเสียงปืนแก๊บนั่นแหละจึงเป็นโอกาสดีที่สุดของเราที่จะเดินเก็บมันได้อย่างสะดวก นี่ถ้าไม่เสียดายเวลานอนจะตะเวยยิงเสียให้หมดป่าแถบนี้เลยอยากเจอมานานแล้วไอ้เสือกัมแหงแบบนี้นะ่ะน่าเห็นใจโต้เถ้า ก, กับพวกกระเรียงเหล่านี้มากนี่ถ้าพวกเราไม่ช่วยออกปราบให้เขาก็อยู่ที่นี่กันต่อไปไม่ได้แน่ๆลงเถ้าเสือชุมยังกับฝูงลิงแบบนี้มีหวังถูกมันล่าไปกินหมดทั้งหมู่บ้านแกเห็นจะล่อสิช้ำมือสินะอยู่หมดทุกตัวหรือว่ามีลําบากไปบ้างเชื้อาสันศีสั่ ไม่มีหรอกถ้ายิงเป็นอยู่ทุกตัวไปปืนของเกิดกับโต้ถ่าคอยช่วยอยู่ด้วยที่เห็นไม่ถนดัดยิงไม่ทันก็หลายตัวทางด้านแกล่ะชา ย, ยันเอื้อมือไปรูปความจุด6 00ดับเบิลไรเฟิลอย่างอบอุ่นไว้วางใจในฤทธิ์เดชอนุภาพของมันฉันพบเพียงสามตัวเท่านั้นแล้วก็ตัวละนัดหมอบอยู่กับที่ทุกตัวไปแทบจะเรียกว่าไม่มีโอกาสดิ้นทีเดียวแหละสาหรับไอ้ยักษ์ใหญ่กระบอกนี้เชื่อมันได้จริง ไม่เสียแรงที่แบกเสียไหลล้ามาหลายวันบางตัวกระเด็นไปตั้งสามว่าเรากับถูกกระแทกได้ท่อนสุงหวังผลเลิศได้ดีมากเกิดกับแง่ท า, ายผู้หายลงไปที่กองไฟที่ถุนบ้านและครุบอยู่ที่นั่นนับตั้งแต่กลับมาถึงพา ก, กันเดินขึ้นมามีหม้อข้าวต้มร้อนๆที่เพิ่งจะสุกและอาหารกระป๋องกับเนื้อเข็มปิ้งลาเดียงขึ้นมาให้คณะนายจ้างเชืาชา ย, ยันและดาลินตาสว่างขึ้นในทันทีนั้น ทุกคนกำลังหิวและเพลียอย่างที่สุดนึกไม่ถึงว่าพรานพื้นเมืองของระพีนและหนุ่มกระเลียงร่างยักษจะรอบคอบถึงเพียงนี้ดีอะไรอย่างนี้พอคุณเอ๋ยทั้งหิวทั้งหนาวข้าวต้มมันแสนจะวิเศษชายยันร้องลั่นออกมาอย่างดิงโลดแล้วก็ลินบรดันดีไปรางวัลเกิดกับแงซายคนละถ้วยเต็มๆพรานใหญ่อยู่ไหนล่ะเรียกเข้ามาด้วยสิอ่อโต๊ถะถาแล้วก็ลูกชายสองคนด้วยเชษฐาพูดยิ้มยิ้ม ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับผานใหญ่กับพวกนั้นกําลังกินกันอยู่ข้างล่างเกิดตอบแล้วก็เดินผ่าลงไปพร้อมกับแง่ทายขณะนายจ้างทั้ง3าจึงรับประทานการตามลําพังด้วยความหิวโหวยและเต็มไปด้วยรสชาติสนทนากันไปพางโอกาสนี้เองก็ถ่ายทอดถึงเหตุการณ์ที่ต่างคนต่างเผชิญมาภายหลังจากถูกน้ําป่าซัดแยกย้ายกันไปคนละทิศทางเล่าสู่กันฟังอย่างละเอียดดาลินมีเรื่องตื่นเต้นพิสดารที่จะเล่าให้พี่ชายและเพื่อนฟังมาก ในสิ่งที่พบเห็นมากับตาซึ่งหล่อนเก็บไว้ยังไม่ได้บอกในขณะที่พบหน้ากันครั้งแรกหล่อนเล่าถึงฝูงหมานายนับร้อยตัวที่รอมกัดกินฝูงหมูปา่าจนเหลือแต่กองกระดูกภายในพริบตาเล่าถึงปีศาจของกระเลียงที่หล่อนเห็นนั่งมาบนหลังเสือแม่ลูกอ่อนและขบวนของเจ้าปา่าที่เคลื่อนพยุหะกหญาตาผ่านไม้เห็นตอนดึกสงัดขณะที่ผ่านใหญ่หลับภายหลังจากสอบซักไร่เลียงและได้รับการยืนยันอย่างแน่นแฟ้น เชษถากับชายยันหันมามองดูหน้ากันน้อยรับรองได้แน่ๆค่ะว่าตาน้อยไม่ได้ฝาดไปโดยจนนิดเดียวในทุกอย่างที่เล่าไม้ฟังนี่ดาลินเออยังหนักแน่นเสริมาในตอนท้ายขนลุกชายยันคลางต่ำๆในรำคอยกมือขึ้นรูปแขนเชษถาไปหน้าเคร่งขรึมน้อยเห็นกะเหลียงคนที่สามนั่งมาบนหลังเสือ พอมาถึงที่โคนต้นไม้ที่น้อยกับรัพินขึ้นไปซ่อนอยู่ก็กระโดดลงตบมือชี้ให้เสือดูเสือเงยหน้าขึ้นมาเห็นแล้วก็กระโจนขึ้นมาพี่ชายกล่าวทวนข้อความที่น้องสาวเล่าช้าๆในตาหลีลงอย่างไข้ครวนส่วนรัพินกลับเห็นไปอีกลักษณะหนึ่งเป็นลักษณะสามัญธรรมดาคือเสือขา้าบเอาศพกลียงมาเอทำไมถึงเห็นคนละภาพอย่างนั้นละ่ะ ทั้งๆ ท, ที่เหตุการณ์อันเดียวกันและเวลาอันเดียวกันตาสองคู่กับเห็นไม่เหมือนกันก็นั่นนะสิคะมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่สุดหล่อนพูดเสียงสัน่นสีหน้าเผืดแววพร่านเปลึองสยองใจฉายชัดในดวงตาสะบัดร้อนสะบัดหนาวขึ้นมาอีกห่อไหลลงขณะนั้นมันเป็นเวลาสักเท่าไหร่เฉยยานซักมีอาการขนลุกขนพองไม่น้อยไปกว่าหล่อนฉันไม่รู้เวลาแน่นอน เพราะเราไม่มีนาฬิกากันเลยนาฬิกาของละพินก็ตายคเนว่าสักหกโมงกระมังแสงสว่างในตอนนั้นมันขมุกขมัวเต็มทีแต่ก็ยังพอจะมองเห็นอะไรได้ถนัดโดยเฉพาะใต้ต้นไม้ที่เสือมันวิ่งเข้ามาช่วยกันวินิจฉัยหน่อยเถอะว่ามันคืออะไรกันแน่ถ้าตาฉันฝาดฉันคงไม่เห็นเป็นตุเป็นตาไปถึงเพียงนั้นภาเพเหตุการณ์ที่เห็นก็ไม่ใช่เพียงแค่ผ่านแวบๆบแบบมันหลายอิทธิยาบททีเดียวนะ นับตั้งแต่เห็นนั่งมาบนหลังเสือกระโดดลงไปยืนตบมือแล้วชี้บอกตำแหน่งให้แกะเสือพอแล้วเห็นยิงเสือลงไปหมอบคายอยู่กับพื้นกระเหลี่ยงคนนั้นก็ล้มลงฉันอยากจะคิดว่าพรานใหญ่ก็เห็นเช่นเดียวกับฉันนั่นแหละเว้นแต่เขาจะแกล้งพูดปลอบใจฉันเท่านั้นโดยพยายามให้ฉันเข้าใจว่าตาฝาดแต่หลังจากลงมาดูกันแล้วปรากฏว่ากระเหลี่ยงคนนั้นถูกเสือกัดตายมาก่อนแล้วใช่ไหม ใช่จากการชนะสูตรศพมันเป็นเช่นนั้นแล้วเสียงตบมือตามที่เธอได้ยินน่ะรรบยินรับว่าได้ยินหรือเปล่าเขาบอกว่าเสียงที่ฉันได้ยินในลักษณะตบมือนั้นคือเสียงที่เขาเอาฝ่ามือตบกับขาของตนเองเพื่อเรียกความสนใจของสื่อให้เงยขึ้นมาพบรอให้มันกระโจนขึ้นมาเพื่อหาโอกาสยิงสรุปแล้วก็ลงเอยได้อย่างเดียวกันเท่านั้นคือตาของน้อยฝาดพี่ชายบอกพร้อมกับผู้รอดแผ่วตา เอื้อมมือมาตบปล่น้องสาวสิ่งที่ละพินเห็นย่อมเป็นสิ่งที่ถูกต้องกับเหตุผลข้อที่จริงที่สุดน้อยอาจเหนื่อยมากกลัวมากคิดระแวงไปมากและในขณะนั้นก็เห็นบอกว่าจับไข้ไปด้วยไม่ใช่หรือพิษไข้บรรดาที้เห็นไปนั่นเองอย่าคิดอะไรให้ขวัญเสียไปเลยผานใหญ่เขาก็ยืนยันอยู่แล้วว่าเราตาฝาดไม่เชื่อไปเดี๋ยวละพินขึ้นมาลองไล่เลียงดูอีกทีก็ได้เขาคงไม่โกหกพี่หรอกมันจะเป็นไปได้ยังไงตามที่น้องเห็นนั่นนะ่ะ ก็นั่นนะสิค้าพี่ใหญ่กาลินมีสีหน้ากลุ่มใจถอนใจยาวน้อยก็บอกกับตัวเองเหมือนกันว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงแต่มันก็เห็นอยู่อย่างนั้นแล้วจะให้ทํำยังไงมันลึกลับไปหมดพี่ใหญ่และชายยานก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าน้อยไม่เคยศรัทธาหรือสนใจอยู่ในเรื่องเหนือธรรมชาติชนิดนี้มาก่อนเลยใจมันค้านตาแต่ตาทําไมมันถึงเห็นอย่างนั้นผีมันหลอกเธอคนเดียวแต่มันไม่ได้หลอกละพิน ชายยันโพ้องออกมาพางหัวรอกกร่อยๆแล้วตอนที่เธอเห็นขบวนเจ้าป่าผ่านมาหน้าปากท่ามที่อาศัยนอนพักอยู่นั่นละ่ะทําไมตอนนั้นเธอไม่ปลุกระพินขึ้นมาฉันอยากจะปลุกเขาเหมือนกันแต่มันหมดเรี่ยวหมดแรงกระดิกตัวไม่ไหวคอตีบไปหมดไม่มีเสียงผ่านลาคอออกมาได้เลยแม้แต่นิดนึงที่รู้แน่ๆก็คือลืมตาไม่ได้หลับตาพอขอบวนอันน่ากลัวเหล่านั้นผ่านพ้นไปหมดแล้วฉันจึงเคลื่อนไหวากายได้ เจอเขาให้จังเบอร์แล้วไม่ล่ะแม่นักวิทยาศาสตร์ตัวดีฉันน่าออกความเห็นอะไรไม่ถูกหรอกอำนาจที่เหนือธรรมชาติและสิ่งที่เราไม่อาจพิสูจน์ได้ตามหลักของวิทยาศาสตร์มันมีอยู่จริงเพียงแต่ว่าเราจะมีโอกาสเผชิญกับมันเมื่อไหร่หรือไม่เท่านั้นก็ดีแล้วที่เธอได้เห็นชัดกับตาพบกับตนเองเสียคราวหลังจะได้ไม่หัวเราะเยาะเมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องประเภทนี้ชัยยันว่าเชษฐารูปคางเฉออยู่เช่นนั้น พอดีกับที่ระพินเดินขึ้นมาหัวหน้าคณะเดินทางจึงพยักหน้าเรียกเข้ามาสอบซักข้อความที่ได้รับฟังจากน้องสาวอย่างไร้เลียงพ่านใหญ่หัวเราเออกมาเบาๆตอบเรียบๆว่าอย่าสงสัยอะไรเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องตาฝาดของคุณหญิงทั้งนั้นแหละผมบอกคุณหญิงแล้วไม่เชื่อยัยงอุตส่าห์เควะอยู่อีกดาดินไม่กล่าวเช่นใดอีกสีหน้าครุ่นคิดเต็มไปด้วยความไม่สบายใจที่ซ่อนเล้นอยู่ในส่วนลึก ชายยันขอบุหรี่ใบตองแห้งที่เราพินกําลังมวลอยู่ในมือไปจุดสูบแล้วทําหน้าเบ้นในความฉุนเฉียวของมันแต่ก็ไม่ยอมทิ้งอุตสาสู้ทนสูบแก้ขัดไปตามเรื่องเพราะนับตั้งแต่ถูกน้ําป่าจู่โจมทั้งขาและเชี่ถาไม่ได้ริ้มรถบุหรี่หรื อ, อยาเส้นกันอีกเลยมาตลอดเวลาถึงสองวันเต็มเต็มเป็นยังไงแล้พินเสือสิบหกตัวที่เราช่วยกันเก็บในคืนนี้พอจะให้ความสบายใจกับพวกกระเลียงได้แค่ไหนพวกเขาหายวิตกกันแล้วหรือ ย, อยัง ชายยันขอความเห็นพวกนี้สบายใจขึ้นมากแล้วครับและเชื่อว่าพวกมันคงจะเข็ดลาบเปิดนี้ไปหากินถิ่นอื่นหมดคงไม่มารบกวนอีกแล้วเป็นอันโล่ง อ, อกไปอีกปัญหาหนึ่งละพรุ่งนี้จะได้ออกเดินทางตามเกวียนของเราเสียทีอดีตนายทหารปืนใหญ่เปรยเอ็นตัวรงพิงกองย่ามเครื่องหลังได้ข่าวคืบหน้าเกี่ยวกับไอ้แหว่งจากโต๊ะถาบ้างไหมเชษฐาถามมาเบาเมื่อสามวันก่อน ขณะที่พวกเรากำลังตามล่ามหิงสาตัวนั้นโต้ถามบอกว่าพวกตัดไว้สองคนเจอโครงของมันป้วนเปี้ยนอยู่แถวพุตะคระแล้วบ่ายหน้าไปทางใสงามนั่นแปลว่าควายป่านำเราแยกจากทิศทางการเดินของไอ้แหวงลงด้านใต้ชนิดเป็นตรงข้ามเลยเหมือนเจตนาจะรอให้เราเขวถ้าไม่ถูกน้ำป่าเล่นงานสิก่อนในคืนนั้นวันรุ่งขึ้นเราอาจจะกระชั้นรอยมันเข้าไปแล้วพรานใหญ่พูดอย่างใช้ความคิด หน้าขึ้เครียดลงชายยันก็แทรกมาว่าปัญหาสำคัญในอันดับแรกของเราในขณะนี้ก็คือติดตามขบวนเกวียนให้ทันเสียก่อนแล้วอะไรๆก็ขึ้นวางแผนกันใหม่ขาวหลังผมบอกตรงๆว่าห่วงพวกเกวียนของเราอย่างไรพิกลเท่าๆกับที่พวกนั้นก็คงเป็นห่วงเราเพราะคลาดเคลื่อนเวลานัดเดิมไว้ไปหลายวันทีเดียวพวกนั้นไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ป่านนี้ ถ้าบุญคำไหวดีเห็นพวกเราคาดกำหนดนัดพบเช่นนี้ก็ควรจะหยุดรออยู่ที่ป่าไวาแต่ถึงจะไม่รอเราก็ตามทานภายในสามวันเป็นอย่างช้าครับเป็นอันว่าเราจะไม่สนใจกับร่องรอยของไอ้แหวงก่อนแต่จะมุ่งติดตามขาบวนเกวียนถ่ายเดียวนับตั้งแต่พรุ่งนี้ก็ดีเหมือนกันหัวหน้าคณะเดินทางเห็นพ้องด้วยเราอิดโรยสะบักสะบอมกันมามากแล้วมุ่งเข้าหาสถานีพักใหญ่ของเราสิก่อนเถอะสเสบียงอาหารที่เตรียมมาก็ไม่มีเหลือแล้ว ข้าวสารกาแฟเกลือน้ำตาลบุหรี่ถูกน้ำเสียหมดอะไรก็ไม่สำคัญเท่าลูกปืนเดิมทีก็มีติดตัวกันมาพอสมควรเดี๋ยวนี้เหลือกันกระบอกแล้วไม่มากนักจากการตรวจสอบเครื่องกระสุนพบว่าลูกปืนอันเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดเหลือประจำปืนคนละไม่เกิน20นัดเป็นอย่างสูงจากไรเฟิล6กระบอกส่วนสเสบียงก็เหลือแต่เครื่องกระป๋องอีกเพียง4หกระป๋องยิ่งขาดกาแฟขาดบุหรี่ก็ยิ่งแล้วใหญ่ ดารินหลับไปก่อนทุกคนเชษฐาชัยยานหลังจากหาลือกัพรานใหญ่อีกครู่ก็ล้มตัวลงนอนแล้วพินแยกมานอนอีกฝากหนึ่งของเรือนกว้างรวมกลุ่มกับเกิดและแง่ทรา ย, ายอากาศบนเขาสูงของหมู่บ้านห้วยแม่เริงหนาวจับกระดูกดำแต่ทุกคนก็หลับกันได้อย่างสนิทเพราะความอิดโรยอ่อนเพียคืนนั้นผ่านไปอย่างสงบราบคาบไม่มีเสียงเสือตัวใดมาคำรนให้ได้ยินอีกเลยนอกจากเสียงนกลาตี รุ่งขึ้นคณะนายจ้างทั้งสามตื่นขึ้นมาเป็นเวลาเกือบสิบโมงเช้ายังมองไม่เห็นแสงแดดนอกจากกลุ่มหมอกที่ปกคลุมอยู่ทั่วไปพลานใหญ่เกิดได้แง่ายตื่นก่อนนานสักเท่าใดไม่ทราบได้เพราะเมื่อต่างลุกขึ้นก็มองไม่เห็นเสียแล้วอากาศอันเย็นชามและความเหน็ดเหนื่อยกรากรำทำให้รับเป็นตายและตื่นสายผิดปกติประกอบกับที่มีเจตนาที่จะนอนพักเอาแรงให้มาที่สุดอยู่แล้ว เมื่อต่างออกมาที่ชาหน้าบ้านก็มองเห็นเบื้องล่างคึกคักไปด้วยพวกกะเลียงที่กําลังช่วยกันขนลําเลียงซากเสือซึ่งถูกยิงทิ้งไว้เมื่อคืนเข้ามากองพเนินเทินทึกไว้กลางลานทุกคนร่าเริงแจ่มใสเกิดกับแง่ทรายเตรียมอาหารมื้อเช้าวไว้ให้เจ้านายแล้ว <Okay. S 1> เมื่อถามถึงพรานใหญ่ก็ได้รับคําตอบว่ารถหินตื่นแต่เช้ามืดหายเข้าไปในดงพร้อมกับโต๊ะถะและพวกที่แยกย้ายกันเข้าไปขนซากเสื อ, อยังไม่กลับ และสั่งให้คณะนายจ้างรับประทานอาหารเช้าโดยไม่ต้องรอเขาการได้พักผ่อนกันอย่างเต็มอิ่มทำให้ทุกคนสดชื่นกับปรี้กระเป๋ามีแรงขึ้นหลังจากรับประทานอาหารเสร็จพรานใหญ่กับโตะถะก็โผล่กลับมาไปไหนมาผู้กองชายยานถามอย่างร่าเริงและพินยิ้ม